Thank you.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 ที่ทรงผนวดออกศึกษาเรื่องนี้เพราะไม่ยอมจำนวนต่อการเกิดเจอเจ็บตายงานต้องมีแน่นอนเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีเจ็บต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายต้องมีไม่ตายเมื่อมีทุก์ก็ต้องมีไม่ทุกงานต้องเป็นคู่สุ่มหาลองดูมองเป็นคู่ไว้ก่อนเราเคยศึกษาเรื่องคู่ไหมเวลาเราทุก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 แต่อิมีกายมีใจเหมือนกันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันมันก็มีอยู่มันก็ต่างกันตรงที่เปลี่ยนความร้าเป็นความดีเปลี่ยนเป็นด้วยเขาจึงมหาดกันไม่ใช่ทาเลนเลนทำแค่นี่แหละมันไปเป็นอย่างโน้นเจ้ว่าเหตุมันอยู่ตรงนี้มันเป็นผลอยู่ตรงนัน้นเหมือนเราโมยุกโมยช่างจังวะกายเคลื่อนไหวเป็นเหตุทําให้เกิดลูกจึกตัวไดเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลทันที เมื่อเคลื่อนไหวรู้จึงตัวเป็นผลหรอกเจ้าคมรู้จึงตัวเจ้าคามรูดจึงตัวไปหมายเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปเลยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคิดถากครับถามไ้าถามมีแต่การกระทําลงไปเลยถ้าจะทําไม่มีคำถามก็จะทำมีแต่คำตอบคพราะนตอบ ไ, ไม่ได้เราต้องตอบอปเลยเงเป็นเรื่องตัวใครตัวมัน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 มันคิดไปทางต่ำก็กลับมารู้จากตัวไปทางสูงได้เกงมากมีการฝึกหัดน่าจะข ย, ยันตรงนี้การตออือนรุ่นการฝึกตอนเองนะ่ะมันเป็นกรอบเป็นรรขึ้นมาไม่ฟรีไม่เสี่ยงเราทำตัวอื่นยังเสี่ยงไมีแรงมีท่วงการเจริญสติไม่มีเสีย่ยทิกเบือขึ้นก็รู่ตันตีหายใจเข้ารู่ตันือ